ธรรมะชาดกแผ่นที่สิบสองลำดับที่ยี่สิบสามโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่15มิถุนายน2554มีชื่อเรื่องว่ายารักษางูกัดคูบาบทไม่ย่างกูไปในป่าไปใ้อย่างงูกัด พอเห็นโตเลยนะกัดไปหน่อยนะ่ะคัดนิว่วนิ่วเท่าหน่อยนึงเจ้าของเขาไม่ได้ใส่ใจเพราะมันปรเจ็บพอมาประมาณทักสองอาทิตย์มันบวมขึ้นไปะนะฮ่าพอบวมขึ้นไปหาหมอบหมอโรงพยาบาลนายุง่งเขาก็ได้นอนให้นอนโรงพยาบาลก็ลจับนอนก็ตรวจ อย่าแกอักเสบยังให้ทั้งฉีดทั้งฉันมาพอกลับมาวาดัดหมื่ว่าหนหลวงพ่อก็มาเห็นนี่มันยังแดงอยู่มันยังสีอยู่ท่านลบมันยังแดงอยู่แสดงว่ามันไม่เชื่อคู่มือนะมันอันตรายนะข้าวบวกจักสาเหตุมันอาจจะไม่เชื่อเขาก็แส้เลือดก็ได้หลวงพ่อก็เลย บ, บอก ฝากไปทั้งให้ทรงไปทั้งโรงพยาบาลศูนย์อุราเมือน า, านก็โทษไปหาพวกหมอจิ๋วจักกับเ พ, เพิ่นเพิ่นก็เลยเอามาเลยเอามาเลยให้พระทรงกับโชเฟอร์ก็ได้ทรงไปไปหอดเขาก็เลยไปตรวจเบอร์เขาก็ตรวจวมันกระแสมันเข้าไปได้ต้มนําเหลืองคงจะเคี้ยวกับต้มนำเหลืองอยู่ ขานีบเนี่ยถึนไปจุดนั้น เ, นเขาก็เลยจับอนองโลงพยาบาทว่ามัวว่า น, า น, า น, นก็เลยบได้มาถ้าหาว่าเป็นหนามหรือว่าเป็นฝีเป็นหนามธรรมดาเขาก็บวชในวิโต ก, กังวลนอกเพราะว่ามันอักเสบมันก็ต้องมีแต่ในงู ก, กัดปุ๋ตะขาบกัดปุ๋มเอียงกัดกระโบงจักอาจจะเป็นงูพิดกัดก็ได้ งูบางตัวมันผิดมันขืนที่หลังก็มีได้บางตัวนะคัดกัดแล้วมันขืนทันทีนทเลยอันนั้นก็นแบบหนึง่งอันนี้มันกัดแล้วมันมันพอท่านขืนเดียวนั้นมันก็มันขืนที่หลังเพราะนั่นพ่อจะไปไหว้ใจกบไหลบางที่มันเป็นผิดเป็นไพ่ต่อไปไพ่ภาคหนาหลวงปอทุติสงก์เขงล่วงพยาบาลเมื่อวัน ไปเขาหมอเพื่อเขาเขาจัดการอย่างที่บ้านอ่ะอย่างที่หลวงพ่อขึ้นว่าขึ้นกันมานไปนี่แหละผู้ใดก็ตามพระอยู่ในวัดของเฮากันว่ามีหย่างกัดขั้นสงสัยอะไรก็ บ, บอกมหาหมู่เอาอยาใจลงยาหลวงพ่อเนี่ดีได้ให้จดจดใบหน้าผู้ใดกันอยู่ในบ้านขี้แคบแมงอ่อน แล้วว่าออย่างงูคัดโดยหาสาเหตุอะไรแต่พอไปถึงก็งูเห่างูจงอ่างนี่งูเขียวหางใหม่เนี่ยฉะนัดมากเลยวันนี้ไปงูเขียวหางใหม่เนี่ยเด็กหน่อยมาดตะกรอนเด็กหน่อยมาดถางปาลาหอยหลวงพอนี่ยักเลี้ยงตักสองสามร้อยสี่ห้ารอยถังนั่นแหะถังหยาออกจากตน้นมบซักปลูกมบซักไม่ดูไม่ค้าแล้ว ขืนกูยีห้ออย่างเครื่องตัดหนากระบอมีดเนี่สมัยนั้นอ่อนเด็กน้อยแล้วมาถางเด็กน้อยมันกน็ความเราเวียงระว่างมาันกระบอมีมันก็ฟันไปเลยของมันนะ่ะไปมาไปเหยียบคู่เขียวหางใหม่เนี่ยคู่เขียวหางใหม่กัดแล้วเนี <c oughs> ่ยทั้งคู่ทั้งคู่บ่าก็เอามาละใส่หล่อหนูมาแล้วมากขางสาระ นี่แหละยาหลวงพ่อจำไวน้นะให้หลวงพอ่อแปลว่าเด็กน้อยมาดลงเลื่อนห้าได้ตรงเตีย ม, มาดดดยาเนี่ยา ไ, ปไปพักหนอกพักหนอกขนาดกําจมจ ม, มพักหนอกแล้วก็บเฉลด็ดพังพรอนฉเฉลต์พังพรอนตัวผูทีมันเป็นหนาบใบทแหลมกางกล า, างมันสีแดงเฉลต์พังพรอนแล้วกับ ผิดไถ่ผิดไ ท, ไทเานะไทาเน่ยผิดไถ่ช้แกงเ่นะเอาเป็นเม็ดแทงดีหรือเอาเป็นผงก็ได้มาต่ำใช่กันบาเนียตำ่ตำตำ่ตำตำ่ำต่ำโขกใช่กันนะพอโขกใช่กันเรียบร้อยเลยกันเอ า, นามมหน้ามักเน่ามาเนะี่บีบลงใส่มันหลายหลหลดบีบใส่มันหลายหละยแล้วโปะาเนี่ยแล้ว เ, เอาแอเปลือกหมักเน่านะเปลือกหมักเน่าที่มันเขาฝันเขาบีบหน้าหมักแล้วนะ เช็ดมงเป็นแผลแผลที่งูกัดให้มันสะอาดเช็ดๆๆ็เช็ ช, ช็เอาเปลือกมะนาวเช็ดเช็ดเช็ดเพราะเช็ดจนพูกนั้จะเลือดเจียบพ้นอ่ะบานเนี้ยก็เอาใบหัวบกกับสเสล็ดพังพอนที่ว่าใส่ผิดไทยน้ำพร้อมโปเข้าไปเลยววะนเนีโป โ, ปโปขปเข้าปปขไปแลว้วก็เอาผากขาวมัดไว เออเอาผ่าข่ามัดไว้ข้ามันแห้งก็ามาแยงแสดงว่าผิดมันแห้งเนะข้ามันแห้งเอาหน้ามบกนเน่าหน่อยลยหยอดทุกปใจอีกอบันไดก็ชัมม่วโมงหนึ่งไอ่เปลี่ยนเปลี่ยนต้นไม้เข้าไปสามเถื่อนอะไรแหละบ่มีแล้วทั้งสีใครสีหนึ่งหูเขียวหางใหม่ทุกคนข้ามันกัดแขนเนโอ้เออ กันมันกัดแขนไปเนี่กัดท้อแข้งมันละแขนกันมันคัดตีนกัดแข้งกระทอขาพ้านเราหนมันบวมแต่ว่าใช้า ย, ยาตอนนี้กับบานไหนเล่าอย่าเด็กหน่อยทุกคนที่ ท, ที่มาอยู่ในวัดเท่ า, นออ า, านเนี่ยแหละพ่อนต่อมาบาดเด็กเมื่มาถางป่าเนี่ยทั้งทั้งผี่ั้งปา ม, ม่วงเด็กว่ามันซีหาลอยไปเอี่ยหมูหัดหลายบาด หมูปลากหลายเด็กน่อยอ้อมทางอ้อมหมูบม่มทางไปแลนผาวงเด็กหน่อยลงไปหลวงพ่อเห็นโอ้อันตรายจเลยวะต่อมาอีกถางอีกเห็นงูจงอางยกขอเธอเลอเธอเลอเธลอผ่อานหมูเด็กน่อยเด็กน่อยตัวแข็งนะวะแรง น, นี้บุปผินเลยหลวงพ่อก็เลยเห็นอีโอบุปผิญแต่เสียงไว้อันเดียวอันตรายมากก็เลยสั่งหมดนะก็ได้บ่มไม่การถางปลา มาหลายปีแล้วต่อมาก็ได้ใช้เครื่องใช้เครื่องตัดหญ้าบนาะเพราะต่อมานี่เอาพวกผู้เฒ่าพวกผู้ใหญ่มาตัดเด็กหน่อยก็ได้ยุดขยุยยุบบงแต่อันตรายแต่ก่อนยังเป็นป่าหญ้าอยู่มันกับบเมียงมีต่ถางมีแต่ ง, งูเขียวหางใหม่โดยมากกักัดเด็กหน่อยนี่แหละเคื่อยาที่ ที่หลวงพ่อใส่ในวัดของเฮ้าตาวัดตะเรงข ม, มีเลยนี่ชาวบ้านปั่นหวยเบี้ยงอ้ามเขามาหาปูหาป่าอนะไรพวกเนียพ่อเราไปอยู่ในนางูในนามงูในนามผมเป็สงสัยเป็นงูเฮานามามันผิดไ ล, ล่ทนะี่กันเพราะมันกัดคือนมาเลยยางผ่านนาวัดไปเลยตัวเหลืองเขาเหลืองเขาโอ้บ่ได้กับพ่หอด บ, บ้านเนะ เขามาหาคู่บาสิเขามาหาพระหลวงพ่อกับฉันน้ำน้ำอยู่ตอนใบเลยนะขาม้าสองผูเมียเป็นไม้ยัง่งเละวะโอ้ยงูจะไม่ยังกัดคนหน่อยอยัได้น้ำเลยสิะเบืองโน่น่โอ้เจ็บโอ้เจ็บพูดสันเลยตูเหลืองของเราว่าหวหลวงพ่อก็บอกให้พระเดี๋ยวนั่นเลยคนไปคนละไม้คนล ะ, ม, นละมือไป ผ, หผูหาพักหนาเขม่ ผ, ผูหาพักนอก็ไม่ผูวหาริกไทยก็ไมี ผู้หาจเลดพ้องพ่อนก็มีเอามาผู้หาโคข้าจากบดึงตึงน้ำเขาก็แค่โคกโคกโคกโคกเอาน้ำพักน่าวีใช่เป็นไแล้วมันแหนแหนอกกว่าเรามันแน่แนนรแนนครับแนนหน่หน้าอกเอาเอาเอาน้ามันเอาน้ำพักนอกมากบีบน้ำพักน่าวเอาซอนแตะน้ำพักนอกกับจเลดพ้องพ่อนทเทออกมาใส่แก้วมันก็เขียวปึด๊ดออกมผสมกับน้ำเข้าไปเกือบ เครงขอนแก้วนะเอากินวะ่ะพอกินเข้าไปสักพักนึ่งตอนนั้นนะหายใจโล่งนะหายใจโล่งแล้วครับโอ้ได้ผลหรือตัวไหนวะอันนั้กระโปงอีกสองสามเธอตอนนั้นนะไปก็เลยเอาพังพอนเอาเศษเอายายไปไปเฮ็ดอยู่บ้านนะวันนี้นะวะโมเ ป, ป็นยางดอกปัดเองเขาก็เลยกลับไปนั่นแหละยาของเฮ้านี่ใส่ได้ผลมามา ก, มากยาตัวน ป น, นังผู้ใดก็ตามเนี่ยในวัดของเฮ้าแถามีงูเขียวหางใหม่จะไปนอนจะไปฉลาดใจบัวใดนะเนี่ยพาวัดถินมักเป็งไปจับงูงูเขียวจับพัดทั้งย่านจับพัดทั้งย่านพร้อมเออทั้ทงย่านพร้อมพัดทั้งหางพร้อมหลือเปล่จับจับหางหงหางหข้อมันมันก็แหว่งข้อมันก็มากกักกดหนูมือพอ ก, กัดคือมามันปล่อยผิดอย่างเต็มที่ของมันแล้วมันกโกรธเนี่ย เพานชุดนิวเมื่อกลขาดแต่เน่ า, เ ล, า, เ, ลาเลยขาดเลยขาดเป็นนิวเลยเออมันบวมขึ้นบวมขึนแล้วขาดแต่นี่แหละอั น, นีหผู้ใดก็ตามอย่ไปหาจับอยไปหาเหล่นกับงูขันบกใจกล้าใจเก็งอิริถ้ามาจับเด้๋ยวคว่ำหมั่นใจเลยอย่าไจับขันยานยานก็กลัวนะยายาย า, ยาจับจับปอเปี๊ ย, ยาจับพอจับแต่ข้อมันหางมันเอหางมันเกี่ยวแขนเท่านั้นนะเออ อีแต่เออเออเออคือมาระบานนั่นแหละเอ่มันยังเกี่ยวแขมันกักดปัจจุบันไพราอนั่นจับหัวมันก็ต้องจับหางมันพร้อมเลยกัรที่จับหูต้องจับให้เป็นมันหรือไม่ใอันตรายนะนี่คือสอนวิวชาหลอกคอบให้อยู่ในป่าในหลงแต่อีกอย่างนึ่งทอน้ำด้วยกันอยู่ในห้องน้ำห้องทานเวลาเอาจิตของห้องนา้ามันมีทอน้ำ เขาต้องเปิดน้ำถิ่มจาก่อนนแหละเปิดจะแห้งๆทางแห้งๆเนะเพราะมันหนาแรงมากเนี่ยมันวัดของ ข, องข้อมันม่มีมาแรงเลยมาแรงขี่เค็บหน่อยมันก็หิวน้ำขึ้นกันเนะมันก็เข้าไปในท่อน้ำเขาเป็นมักเนี่ยมันหิวน้ำเนี่ยพระหลวงพ่อี่เซอร์เราลไปยังมาสอนวิชาฉลาดให้พวกเข้าทั้งหลายฟัง ตรงพอก็เปิดมากอกะมื้อตรงหลดแล้วเนาเอะอพอนามอย่านี้กุฏีเดกุฏีพอมันกุฏิลงพอเนาะกุฏิอีกหลังหนึ่งสางไม้โดยมากุฏีสางไม้เนะี่ยมันชอบนักมันไปมแงปลงปงนะี่มันกืเขาไปน็นหู้น่ะนะหู้หู้นอนาพ่อเปิดปับป๊บจะไดออกะมือตรงว้อปุปันทานไฟเราเนยเผาอะไรเนาะแบ่มือแปงแสงเนะเบิลตอตอตตอตอแม่งอดทนี เออโต้ปักง่ายแม่งอดแม่ม้าในทางหัก ต, า, กตายแต่าตายไ่โอ้มันเจ็บถึงแต่เศ้าจนขวบเก่ามันนี้ยังคอยเศร้าอาไปยาแล้วยาอีกคนหนึ่งไปจักไม่ยายางตัวไซเขาไปเงือนคือเก่าอะไปเออมันเตะเขากีตาแล้วนะมันเจ็บหลายโธ่แม่งอดมันเป็นธรรมดานเลหลวงพ่อก็เลยไว้จักให้คักผ่านในเวลาเปิดน้ำใส่ออกมาตรง เปิดทางออกแห้งๆก่อนมันออกต่กอนนวลไปอีอย่างยุ่งยากไหนยังค่อยยังค่อยเอามาใส่เปิดจ้าตะกอนยังค่อยยังคอยเอามาใส่พอเดินผัวเข้านะอันนี้คือสอนวิชาหลอบอบอไปเขาอยู่ในปลาในดงประจักี์เก็บน่อยปรจักษไม่งอดเดกมันหมดเขาไปในไปในทอมันหิวน้ำเลยเขาไปกินน้ำอันนี้ก็อันนึงขึ้นกันเวลาอยู่ในกุฏิขึ้นกัน แล้วพอจึงบอกว่าใส่น้ำมันไว้เนี่รอลื่นไหว้เวลาแม่งอดเกินไปมันก็ไปเจอน้ำมันมันก็ถอยอย่างพวกเก็บเน่ยไปเจอน้ำมันมันก็ถอยพราะน้ำมันเนี่ยมันขามว่าไงถึงจะหน่อยก็มันก็ขามยากอย่างพวกนันยาตรงใส่น้ำมันไว้กันไว้กันปวกกันหมดกันแม่งอดการตะครับไว้นี่ยไป จะเกิดพุติขึ้กันพวกผ้าพวกยังพับไวให้ดีพวกประตูเวลาเจ้าของพยูให้ปิดไวอย่าไปเปิดบางที่มันแมนยูตัวน้อยๆมันขมว่าอะไรแต่ตัวใหญ่เนี่ยบางที่มันเขาไปหาต๊กแกไปหาจิงจกจริงเลน ม, น, นมัน่ะมันขึ้นไปเออเขาไปก็ไปนอนงทา่า ูบาบางที่กูบาเขาไปมันก็ไปซ่อนลบยังในผ้าอยุขยะบาตรฮะเจ้าของจินนันรับมลูกงูก็ออกมาพอดีนั่นแหละบาตมันเดวเออจกเออบาดใดระบาต อ, อย่างพวกในขั่วขึ้นกันพวกชั้นล่างในชั้นล่างที่เป็นกระเบื้องไม่ได้จะออกไปใสตรงปิด ลันกุณลันปิดไวให้ติดีประตูะครเพราะว่าย่อมัเว้นห้าวอยูน่ะอาจจะเป็นข้างหกกิงจกตุกแกพกบพกเขียดมนแล้วงูมันไล่มากมันบ่มีหลังไปมันกระโดดเขามากเเขาไป็นห้องของห้าวอพราะจาของเปิดซาวาไปเลยบ่ปิดไว้าในพกคบพกเขียดต้องกระโดดเขาไปให้มันนั่นไหมเมื่อาหมง กีตายเหี้นบ้านหู้มันก็จินั่งกบนั่งเขียดเข้าไปวันหนึ่ไปกินยูหันเลยก็เมันก็นอนยูหันนี่แหละอันตรายเอาอยู่ในป่าอันนี้คือวิชาอยู่ในป่าต้องหลอบคอปปกติของห่าวมันมีอสรพิษมันมีหู้มีอย่งกต่มันหลายบ่มันบ่หลายหรอกมันบ่หลายแต่ว่า ผู้เมื่อนึงเลยเริ่มเห็นหลายขึ้นมาหนาตาขึ้นพเหตุใดเพราะมันมมีหมูต่กอนมันมีหมูปลามีหมูปลามันกินมดงูไปหมูหมูมันจมูกดีเยมันสุบสอดสบอดสูบปะหากินงูอยู่ทั้งใดนึแปลว่าหมูปลามันกิ่นมดมันกินหดงูห้องูจงอางไปเลยพวกงูหลงงูเหลือไปนลยกิ่นมดมันไลสวบเลยหมูมันไว้าย แต่เดี๋ยวนี้มันหมูมันบ่มีหมูมันน่อยพันไหนสัตว์พวกนี้มันก็เลยขยายพันธุ์ขึ้นมาแต่ว่าถึงอย่างไรถนนเท่ากับลองรับไปแล้วถนนทอากับกว้างคันนว่าเขามีใไฟฉายกันคำกังขึ้นะมันก็บนหากลัวคันห้างละมัดระว่างน่ะคันนาว่าเดินด้วยความประมาทก็ยังว่าเน่ะเดินชุ่มชุ่มซ้ำซ้ำบ่มีไฟไปเงี้ยมมาขึ้นไปเหยียบหางเลย บ่แม่นเหยียบหัวมันาะไดเหยียบพังมันกัดล่นเนี่ยเพราะนั้นสิงมูลีนะเอาอยู่ในป่าบ่แม่นแต่อยู่ในนี่เอาไปอยู่ไซก็ตามมันเทาอยู่ในป่าอย่าให้เป็นผ้าระผู้อื่นจะต้องระมัดระวังลงพราบ่เคยได้อยู่ป่ามันแต่แต่อายุสิบเอดสิบสองปีบ่เคยถูกงูกัดบ่เคยถูกตะขาบกัดมันไปมีแต่มาแล้งปองมาแล้งปองเอาหลายเทืออยู่ ห้าแรงเทือกเนี่ยเลอยู่ในตารางกุฎีเจ้าของเงินบอดไซล่องเท้าย่างยางไปพอเห็นว่ามันแหวนว น, นไปไปเมื่อกีเยียบต้องเกิดซัดลนแล้วมแล่งปองแล้วปโอ้ oh. ตีนแหนแปงแซงแล้วปชวสิเจ้าได้นะี่ยอันนี้คือสรุปเราคือขาดความรอบครอบด้วยกันมันไปเหยียบมั่นไ ต้องมีไฟฉายทามันคำขึ้นมาละไปใส่ต้องมีไฟฉายต้องดูให้รอบขอบเพามันถูกกัดแล้วอย่าไปอยู่ซื้อก็ต้องมาหาหมู่หาเพื่อนใส่ยุกใส่ยาเพราะผิดตัวนี้มันอันตรายถึงตายได้อย่าเป็นทำโอสดกะแมนยูใส่ทำโอชดกระแมนยูลงฟอปฏิเสธทําอชดทันปุบคนไม่ทำโอสดมันกะแมน เฮ้ามันโมไม่ถึงขันนั่นเลยใช่มันต้องใส่ยาโอสถยังคอยประคับประคองมันเพรานั้นเบิงหน้าลุกหลานปาเน่นทุกองนะสรุปเราก็คือความรอบคอบเลยนะไปิยุสัยการทว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นโมเมน็นแต่เจ้าขององค์เดียวได้ยิงจี้แล้วเนะี่ยหางูกาที่อะมันต้องมีมูมีเพืลินไปทรงอีกไปนอนเปล่าอีกสรุปเราก็คือความเสื่อ ว่บล็อกขอบเจ้าของผู้เดียวทำํำไมมูผู้อืน่นเอลําบากนํามกันว่าห้าวบล็อกขอบซะมันก็ บ, บ่งมีปัญหาแต่เหตุอย่างใดใดล่ะมูก็ต้องช่วยกันพอมันเจ็บขึ้นมาแล้วเนเอยมันเจ็บขึ้นมาแล้วก็ต้องช่วยกันปล่อยป้านละเลยบ อ, ระอะไรเนะ่ยนาทีเลยบอะไรนาทีทุกองเลยนาทีก็ทางหลวงพ่อด้วยหลวงพอ่อปล่อยปลานละเลยบอะไรด้วยกันลูกน้องเจ็บไขรได้ป่วย ขันธาวาิมีอยังเกิดขึ้นภายในวัดพระเน้นบริให้ความสนใจปล่อยปลาละเลยเนี่ยเป็นอําบัตทุกขศต่างเต็มหลวงพ่อปรับโทษนะแตงใจหลวงพ่อนี่ยทุกวงคําว่าผู้ใดบนนี้บไริชัยใจในการเจ็บไข่ในป่วยได้ป่วยของพระของเน้นอยู่ในวัดแถ้าหลวงพ่อเจ็บไขได้ป่วยขึ้กันพระเน้นอยู่ในวัดบร่ให้ความสนใจพระในวัดปั๊บเป็นอวบัตทุกขศตื้น นี่หละพระพุทธเจ้าพณ์อบอกว่าเมื่อพวกท่านทั้งหลายเสียสละออกจากมาออกมาจากบ้านเลื่อนไม่อยู่ด้วยกันพวกท่านทั้งหลายต้องพึ่งผ้าอาศัยกันมีไออย่างเกิดสิ่งพวกท่านต้องช่วยกันดูช่วยกันแล่ช่วยกันรักษากันจนถึงตายและหายถ้าว่าผู้ใดก็ตามบ่ได้ไมาเห็ความสนใจในการเจ็บไข้ได้ป่วยของหมู่เพลินปรับอบวบถูกกดขาด ขาดการใส่ใจเนีพราะในสิงม์โมนีมันต้องถามไทยต้องบอกถ้าจะให้องค์ไหนไปช่วยองค์นั้นก็ต้องไปช่วยท่นลงปฏิสงเออท่านไปเฝ้านะเถึงม่อยากไป้ก็ต้องไปไปเพราะมันเป็นวิไน่เนี่ยต้องไปไปมัวมัวให้ไปเฝ้าแล้วไปเบิ้งนะไปซอยนะต้องไปเบิง้งนี่แหละมึสิ บ่ให้ความสนใจบ่อใดอันนี้ศีลและวินัยบ่ให้มันกัดอย่างทีที่สุดตนไปแต่มันกัดแล้วเหตุอย่างไรล่ะอย่างที่ทวยยา่านี่นะเพราะนั้นต้องระมัดระวังนะพวกเขานะเมื่อไหนเขาบอกเรื่องงูอีกคือกันบอว่าหนึ่เขาบอกเธอหนึงนั่นแหละพอมันเลื่องเมื่ท่านจบต่อไปรับพรอนโมธนาให้พร